ทรงทราบตลอดตัวถึงหมดเกี่ยวกับเรงสัตว์เป็นสัตว์ตายที่นี้พูดมันพูดยากเลยไนหะมบรรดาพระรหันต์องค์ไหนจะไม่รู้อย่างนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าจุปโปองค์จึงไม่ทรงห้ามอ่นานันเนองจตาเพราะเป็นสิ่งที่สุดวิสัยและพูดได้เพียงเท่านั้นลึกรับกว่านั้นพูดไม่ได้รู้เต็มหัวใจพูดไม่ได้นั่นว่าไงนิเหรมก็สนุกออกร้วนลายนี่ออกมาอวดตัวให้บริสุทธิ์ มันฉันเนื้อฉันตาลังสวีละมันเป็นรวดลาวุ้งยิ่งเหี่ยมวุงยิ่เหลียมมันไม่ได้ละเลอียดอย่างนั้นยิ่เหลี่ยมันจะไปให้อภัยอะไรครับในส่วนลึกลับอย่างนั้นมันไม่รู้วุ้ิ่เหลี่ยมแตกีที่ปกปกอง ด, ด้วยทําปิดไม่อยู่ความจริงมีตรงไหนรูตรงนั้นรูตรงนั้นเห้นตรงนั้นพอแม่โคจรพูดนิดนิดนิดนิดแต่ก่อนเราขีนนะพูดเกี่ยวกับเรื่องฉันเนี่ย ฉันน่าจะปาดฉันฉันอะไรๆมันก็ไม่ได้คิดฉันเหล่านี้มันได้คิดนี่เงี้ยหนึ่งฉันได้คิดแต่มันสุบพิสัยที่จกแกเนี่ฉันพูดแค่นั้นแหละนสูบพิสัยที่จะแก่สูบพิสัยที่จะหกห้ามไม่เป็นอย่างนี้ท่านแยกออกไปเพียงโลกมันเหมือนมหาน้งมหาสมุทร มันเป็นมหาสมุทรมาดังเดิมอย่างนั้นอาจจะไปแยกไปแยกตักตวงเอามาใช้อะไรๆก็แด้แต่บุคคลที่ยอมเอามาใช้ทีไปกันหานะมหาสมุทรไม่ใมันไหลมันไม่ได้ท่านพูดแยบถ้ามาห ล, หลังมันี่มันมาเข้าใจท่านก็พูดไม่ออกท่านไม่พูดนท่านรู้เหตุรู้ผลว่าการพูดออกไปมีแง่ด่างเบาได้เสียขนาดไห น, นผู้ฟังจะไม่ฟัง ไปตามความจริงที่รู้นั้นมันจะแหวกแนวไว้ดั้มที่มันแวกแนวทวนรออกโอโอกอวดเรื่องมังสวิรัตใคจะไปเกินอุปถัภเองความรู้ในแง่หนักเบาทุกงแง่ทุกมุกงแล้งั้นจะว่าเป็นสพันยือ้อพวกไหนใครเป็นสพันยูพวกประกาศตนตัง้งตั้งม ฉันมังสยายเวลาจึงเป็นเมตตาที่บริกบุดีนี่หรือสบสนิยกิเลสเหยียบหัวมันเอาลวนลายกิเลสเอามาให้เป็นเครื่องมือเหยียบย่ำทำลายไม่ฉันมังสยายเวลาแต่แต่กินเป็นยังไงเพียงไม่ฉันตอนจิต น, นเป็นยังไงมันอยู่ที่จิตนันต่างหากนี่ อาเนี่เพียงมา อ, อวดได้แค่กิจยานท่านผู้ชันกิจท่านบริสุทธิ์ขนาดไหนน่ะเอามาเทียวกันจริงจริงันก็กันได้หมดเลยพอแม่อาจารย์ตั้น้ำมันสุดวิสัยทําไรส่วนที่มันเป็นวิสยัยใครก็มองไม่เห็นนั่นฟังสิเนี่ยจีสําคัญมากส่วนที่มันเป็นวิสยัยใครก็มองไม่เห็น มันตายไหมฮะมันตายไม่ยมอยากตายไม่อยากเดือดเบียนไม่อยากใครฆ่าแต่เขาก็ฆ่ามันถูกวิสัยอย่ันนี้เราคนเป็นมาอย่างนี้แต่ดั้งเดิมส่วนที่ส่วนที่สุดส่วนส่วนที่ไม่สุบิสุวิสัยอีกแนอนอง่หนเงยใครไม่รู้หนัไม่มีใครรู้คนวางผู้ดวงมาก็ไม่เกิดประโยชน์มา ก่อนไม่เข้าใจพอปฏิบัติมาปฏิบัติไปก็โดนไปว่าแต่ว่าอวดต้องไม่อวดก็ตามมันเข้าใจยังยงไงไม่มีใครบอกรู้มันรู้เองเพราอันไหนสูดวิสัยอันไหนไม่สูดิสมาะควรยังไงท่านที่ท่านไม่ฆ่าสัตว์แต่ยีดแต่ท่านยังฉันและยังตายอยู่เพราะอะไรไม่ต้องไปตั้งปัญหา อะไรใหลำบากมันซึ้งก็ไปเลยลูกทะลุปไปหมดเลยตั้ปัญหามาเป็นป่านน้าลายกันบนเบทีทําไมปราท่านไม่เป็นบ้าน้ําลายสิ่งไหนควรพูดท่าพูดอย่างนี้ควรพูดท่ดานผ่านผ่านนึกเก็บไว้เสียเก็บไว้เสียเพราะท่านไม่มีความหิโหยไม่มีความอยากอวดเนื้ออวดตัวถ้าไม่มีถ้ามีแต่ความจริงล้วนๆความจริงก็เป็นความจรินที่บริสุทธิ์ด้วยนี่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 จะรู้ตรงไหนไปก็จะมีเรื่องแต่เรื่องของกีเลมันแทกแทรกเข้าไปทำงานขงเข้าไปทำงานเรียนทาปฏิบัติทาแต่กออป่วอกิเลสเพราะกิเลก็พพไปทำงานอยู่ในนั้นไม่รู้นี่ละเอียาขนาดนั้นนะเลยหรือได้อัศจรรย์พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาได้ยังไงไม่มีใครตักเตือนสั่งสอนเลย ผมจะเกี่ยวกับกายด้วยลำพังผูองคเองและเป็นสยามผูรู้โดยลำบังผูองคเองทุกๆพระพุเทธเจ้าทุกๆพระองค์นั่งก็ยังอดอัศจรรย์ไม่ได้อดแปลกในหัวใจอย่างถึงใจไม่ได้ว่าปฏิบัติทุทกันได้อย่างไรเพราะพะยานบอกอย่างนี้พยานคื อ, อยังไรเราไม่ได้ยินได้ฟังอะไรจากท่านรู้เรื่องอะไรปฏิบัติอย่างไง ร, รู้ที่เลยมันเหยียบหัว มนุษย์แสัตว์ทั้งหลายเต็มหัวใจใครเห็นโทษมันนอกจากเหมือนควายให้มันจูงไปตลอดเวลาทั้ ง, งหลับทั้งตื่นอาการของจิตที่คิดออกมากน้อยอย่างไรไมีแต่เรื่องมันนี่จูงจูงทั้งนั้นเพราะมันมีเครื่องมือทดสอบไม่มีกล้องพอจะสองเห็นตัวโรคร้อันนี้นี่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 ย่นถ้าย่นลงมาลงมาถึงห้าสิบสี่สิบสาร์ตสิบของความเป็นฝ่ายเจ็ดสิบในความเป็นคนจนกระทั่งถึงหนึ่งเปอร์เซ็นในความเป็นฝวายเก้าถึเก้าเปอร์เซ็นในความเป็นคนและถึงขนาดที่ว่าร้อยทั้งร้อยเป็นคนไม่ได้ยินได้ฟังจากมือเจ้าจากคำสอนรรมือเจ้าจำมา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 แล้วก็นอกจากนั้นความหวังมากผลนิพพานนี่เป็นร ะ, ร, ะระดับระดับระดับถึงขนาดที่ว่าหวังถึงสินสส้นสุดสิ้นสุดวิมุตติพ้นถึงขนาดนั้นยังไม่พ้นความเป็นกวาให้มันจูงอยู่จากขณะเดียวเท่านั้นที่คิดถึงเรื่องนอกขุนิพพานแล้วก็มาตั้งหน้าตาาาั้งตาปฏิบัติก็ไม่พ้นที่มันจูงอยู่ตลอดเวลาในอิรยาตของจิตที่คิดที่จลุูงออกถูกมันภายในอันกองทัพหลวงกองทัพใหญ่ของมันมันผลักดันออกมาเผาดันกองทัพใหญ่คืออวิชชา ปัจจยมนหนุนออกมาเป็นสังขารเนเป็นวิญญาณความรับทราบต่างๆสัมผัสสัมพันธ์อะไรไปมีตั้งแต่มันหนุนหนุนหนุนหนุนไปไม่รู้นี่ถึงหนจะจันบ์พระกุศเจา้าเราตัเกี่ยวตะการแทบร่มแทบตายนั่งหัวนาบางวันไม่ลงเลยโมโหอย่าของแทบเป็นแทบตาย ฟาดถึงขนาดนั้นมันยังเอาไปลากจมูกไปต่อหน้าต่อตายเอาลูกเอาเสียงเอากลิ่นเอารถ ด, ด้วนแน่ตั้งแต่จำพวกมูดจำพวกขูดทั้งนั้นอืมแต่ไม่รู้ว่ามูดว่าขูดแล้วสิเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรามาตลอดรอบด้านที่สัมผัสสัมพันธ์กันมันมีตั้งแต่เรื่องของ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 ไม่ว่าจะเป็นร่างหยาบร่างละเอียดพบใดภูมิใดย้วยนได้ตั้งแต่เป็นนักโทษในเรือนจํำของมันแต่ละห้องละห้องแต่ละประเภทประเภทของนักโทษทั้งนั้นทีเดียวละเอียดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแม่นักปฏิบัติมีกิริยาละเอียดแหลมคมขนาดไหนที่เลยจากความละเอียดแหลมคมของสติปัญญานั้นมันยังแหลมคมกว่าอีกกิเลสมันไม่รู้เหมันนั่นละตอนพวกนั้นล่ะ ประเภทเหล่านี้แหละที่มันจูงอยู่จากก่อนจูงไปเรื่อยๆแล้วตัดเชือกมันเรื่อยจูงเรื่อยตัดเชือกเรื่อย <c oughs> เข้าใจด้วยเข้าใจด้วยจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาญขนาดนั้นมันยังถูกจูงจมูกเข้าไปกอดอวิชชาจนได้เห็นไหมมันไปติดอย่างนี้นจูงจมูกเข้าไปในกองอวิชชา มหากษัตริย์วัตถจากของมันมันหลงมันจนได้นะมันละเอียดไหมเครื่องปรองของมันเราเห็นว่ามีความป่องสใยมีความสง่าผ่าเผย ม, ม, มีความอุชช่อาจกรหยะมีความอัศจรรย์ไม่มีกิจ ด, ดวงในเสมอโดยดวงที่สง่างามอยู่นี่อัศจรรย์อ้อยอิ่มอยู่นี่นั่นเห็นไหมสติมหาสติมหาปัญญาเลยไปต้องไปตามรักษาพรเน่าพนอม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 เป็นไปเหมือนจิตทั้งหลายนี่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนอย่างนั้นไม่ได้จิตตรงนี้แน่นอนโชคิีปัญญานี้แน่นอนที่จะฟันสิ่งของนี้แหละเป็นแต่เพียงว่ามันยังไม่เหมาะกับโอกาสทั้งมันที่จะรู้จะเห็นกันที่จะฟาดฟันกันได้แหลกนั่นแหละขนาดนั้นแหละขนาดที่มันจุงมันไม่เอย่ยขนาดนั้นขอให้ทุกๆ ท, ท่านฟังให้ถึงใจนะมีพูดอย่างเปิดหัว อ, อกให้ท่านทั้งหลายฟัง ระหว่างทมกับกิริยะมันต่างกันขนาดไหนคุณภาพกับมหันตโทษของมันหาคุณมหันตะโทษนีน่มันต่างกันอย่งไรบ้างมันกล่อมมาวิสัต์โลกขนาดนั้นนี่ถึงอาศจรรย์เรามีวาสนาเนะี่ยเกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกไม่มีอะไรที่ค้านเลยสามดนโลกถาต ไม่มีอะไรที่จะมาคา้านศาสนาเลย <S <S 1> <S 1> เนื้อหมดเมื่อกิเลยเด็ดทางหนจากหัวใจด้วยอำนาจแห่งธรรมนี้ปราบตอนนั้นเนื้อหมดเลยที่นี้โทษมันเป็นยังไงไงได้เห็นหมดตั้งแต่ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดโดยลำดับลาดาจกนกระทั่งหมดเครื่องสิ่งเครือแงแฝงภากิจคือสมมตุติแม้แต่วิชาก็เป็นสมมุติเป็นสิ่งเครือแงแฝง มีเดี๋อวตั้งแต่กิจที่บริสุทธิ์ล้วนๆเนี่ย น, นั่น่ะประเสริฐสุดถ้าจะเซก็ประเสริฐสุดแต่ท่านก็ไม่เซกก็ทํานั่นไม่ใช่ทำยางคนให้ตื่นให้ตกใจให้ตื่นเต้นให้อะไรให้หลงงม ง, งายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์วิมุติส่งความคินล้วนๆผู้รู้เข้าสู่ความคิงแล้วก็จะตื่นเต้นอะไร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 มดทุกสิ่งทุกอย่างปิดบังอย่างมิดตัวเลยทีเดียวแล้วก็ออกสนามจูงศาสตว์โลกออกสนามไปใช้งานที่ไหนศาสตร์โลกจะแบบมาไปจากอํำนาจทั้มันมันเที่ยวปิดเที่ยวกั้นไม่หมดเช่นบาบาบากไม่มีนั่นฟังสิคาที่บาบาปไม่มีก็คือ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 ใครจะไปสนใจลาบบาปใครจะไปโซกธาโซกโซกธาในการรับในการทําบาปที่ไ้อุดตัณฑ์ความสรุ่งลัวตัณฑ์มีได้ยังไงก็ที่เดือดลกไปหมดไม่มีอะอยู่แล้วในการแสดงบุญจะแสดงหามาอะไรก็บุญไม่มีแสดงให้เสียเวลาเสียผลเสียประโยชน์เสี ย, ย, สยกําลังบังชารับสมบัติไปทําไมก็ทําลงไปมันเป็นอัธนะมันเป็นไปไม่ได้ ให้จะไปฝืนทำนั่นมันเป็นสิ่งที่ตัดแต่นในขณะเดียวกันที่ที่มันตัดไม่ให้ออกจากอำนาจของมันมันก็ลากเข้ามาสู่หน้าท้องมันเมื่อว่าบาปไม่มีบุญไม่มีแล้วสัตว์โลกก็จะต้องเดินตามมันต้อยต่อ ย, อยไม่มีสัตว์โลกตัวใดรายใดที่จะกัดข้าศัตรทานหรือฝ่าฝืนมันเลยเชื่ออย่างหลับสนิทนั้นนีนการทําลงไปมีแต่เรื่องผลประโยชน์ที่มันจะกเกาะกลอยเอกจากสัตว์ นี่อ่ะงานที่มันใหสัตว์ทํางานความคิดความปรุงอะไรให้คิดปรุงประตามเนี่ยตามแถวของมันที่จะเป็นผลประโยชน์แก่มันดังนั้นผลประโยชน์ที่จนนอกเหนือไปจากอานาจทของมันมันไม่ยอมเป็นอย่างสวรรค์ไม่มีอเพราะมโลกไม่มีนิพพานไม่มีนอกจากนั้นมันยังมันยังเห็นอิมันยังแสดงให้อย่างเต็มรูดลายของมันในหัวใจของชาวพุทธเหล่านี้แลเราอย่าไปว่าทีนอื่นเลย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 ที่ท่านแสดงไว้หลังนั้นมีปัญหาอะไรผู้ตาดีทั้งนั้นเห็นอาจารย์สอนพกเราในที่เดียมันลบล้างหมดอยู่ว่าไง น, นั้นป็นหัวใจของจันจูงจมูกไปแล้วโรเปรดโรคผีปกคกบต่างๆไม่มีมีเท่าเท่าที่เห็นนีมีเท่ า, ท, ท, าที่สายตาบอกท่านั้นเองเลยสายตาไปแล้วไม่มีเลยกระแสะของหูไปแล้วไม่มีเลยจมูกไปแล้วไม่มีเลยลิ้นเลยกาไปแล้วไม่มีทั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นมันเต็มโลกเต็มแผ่นดินเต็มท้งสาร มันก็ปิดมันโกหกอย่างหน้าด้านนี่เห็นไหมเราก็เชื่อมันอย่างหน้าด้านแปลว่าโง่หรือฉลาดเอาวีา่ณาเลยทำพุทธยาประกาศกลางวัลโลกมานี้ประกาศกลางวัลตั้งแต่ของกิงทั้งนั้นหาของหลอกลวงอย่างกิเลสตัวปิณฑปอนนี้ไม่มีแม้เปอร์เซนเดียวเลยขนาดนั้นจิดยังไม่ยอมเชื่อเห็นไหมอหํานาจของมันมันถึงขนาดนั้นเถอะนะเราเรีกว่าเป็นวาสนาบารามี เป็นมาในต้องการพุทธศาสนาแล้วยังได้นับถือและได้ปฏิบัติตัวตามแนวทางอยู่เรายังมีร่องรอยมีช่องทางมีความหวังที่จะเป็นไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าคือจะถึงแดนแห่งความสมบวังเป็นลําดับตาดาไปจนกระทั่งถึงความสมบวังอันสมบูรณ์ได้เพราะการพิจารณาปฏิบัติาตามศาสนาธรรมของพระองค์ได้ถ้าจะเทียบถึงความได้เปรียบเรามนุษย์เรา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 ก็ไปเกี่ยวข้องสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ก็มีแต่ฟืนแต่ไฟนี่ึงว่าได้เปรียบมากมายขอให้ภูมิใจในอำนาจวัฒนึของตัวเองเราเกิดมาในชาตินี้ได้มอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้ากระธรรมสงฆ์เรียกว่ามอบธรรมชาติอันประเสริฐเลิศโลกแล้วไม่สงสัยตายเมื่อใหรก็ตายเถ็ดความภาคของเพียงให้เด็เดเกี่ยวลงไปเพื่อค่ากิเลส ตัวเสเนียร์จันไรตัวเป็นยักษ์เป็นผีกล่องจากโลกให้ล่องจมมามามากต่อมากนานแสนนานแล้วไม่ว่าเขาว่าเรานานแสนนานแม่ว่าเขาว่าเรามากต่อมากเหมือนกันหมดไม่มีใครที่จะนํามาคู่แข่งกันได้ในความมากและความยืดยาวนานเพราะการท่องถเถี่ยงยอดตัดท้งสารซึ่งเนื่องจากกิเลสมันจูงจมูกให้ไปพบน้อยพบใหญ่ที่มีพบดีอยู่บ้างก็เพราะทำมีทำข้อแทรกในทำความดีไว้มันจูงไปไม่ได้เต็มหมดเต็มหน่อย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 มันเห็นหัวใจเต็มหัวใจแล้วมันทําไมมันพูนไม่ได้มนุษย์เราเนะ่ขอให้รู้ให้เห็นสิมันไม่รู้ไม่เห็นที่พูดแบบด้นด้นเดาเดาตัวเองก็ไม่แน่นอนแล้วจะพูนให้คนอื่นได้รับความแน่นอนให้เขาได้รับความเชื่อความไว้วางใจได้ยังไงเรายกศาสนาขึ้นมาเป็นตัวประธานเป็นสักขีปพยานพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นจะทุกจริงทุกอย่างเมื่อทรงแสดงอะไรมาไม่ชมสมประธานเพราะแสดงอยู่เหนือโลกแล้วความรู้อยู่เหนือโลกแล้ว แสดงความคิดทั้งหลายที่มีอยู่ทั้งในโลกและเหนือโลกทรงแสดงได้อย่างเต็มพระไทยนะเต็มพระโอษฐ์ไม่ทรงสรุปทานุเลยไม่มีใค ร, รคิดแต่คัดค้านลบล้างความเป็นศาสดาแศาสนาธรรมของผู้นได้เนี่อที่ว่าเวลาพระองค์ตรัสรู้โลกธาตุวันไหวก็ขี้เหร่มันวันไหวแล้วก็ทำผู้จีโสแสดงหาธรรมนั่นแหละวันไหวสะเทือนสะท้านไปหมดเป็นอย่างสัตว์เดา แสดงมนุษย์ร้างเวซุงแสดงมนุษย์ร้างเวซุงในธรรมจักขัตตสูตนี่ฝ่าดีฝ่ายผู้มีอัตมีธรรมผู้จะหวังพึ่งพระพุทธเจ้าเพื่อความดุดพ้นจากถูกมีความปีติยินดีสะเทือนสะท้านหวันหว่นไหวไปทั่วแดนโลกาทานในพิเดษที่มันภาพบงำหัวใจของแต่โลกออแสดงความน้อยอกน้อยใจเยิ่ยงอุหมะอะไรสามบุรีพรมหรอไม่ใช่อะไรไอ้มาน่น ลืมไปแน้วะชื่อมารไอ้นี่นะนี่เพิ่งเป็นหัวหน้ามารได้ทําให้โลกสะเทือนตะท่านเหมือนกั น, นพระองค์แสดงที่ไหนอะไรมาคัดท่านได้แล้วคงลื้อผลสัตวโลก ไ, ได้ตั้งแต่วันพกกนระตัดทะลุแล้วเลื่อยใหม่แล้วปัจจุบันนี้ได้มากขนาดไหนเราที่ดูสอแล้วมีใครสามารถไปลื้อผลสัตวโลกให้พ้นจากทุกภายได้ ตั้งแต่เป็นกัลยานะับปุรตชนกลายเป็นคนดี อ, อ๋อตั้งแต่คนที่มีกิเลสหนาหนาจนกลายเป็นกัิยาณนะนับปุรตชนขึ้นมาถึงขั้นอริยบุคคลท่านท่านสูงสุดมีใข่แสดงได้เหมือนพระพุทธเจ้าหรือผลได้เหมือนพระพุทธเจ้ากิเลสตัวใดอยีางน่าสามาร ถ, าารถที่เลี้ยงคนสัตว์โลกแม้แต่รายเดียวให้พ้นจากทุกข์นื่มีแต่มันเหยียบลงในทุกเหยียบในทุกเราไม่เห็นโทษมันเหนื่อเอาวิจารณที่เหียบมันชัดเจนเลยนักปฏิบัติสติปัญญาต้องยอกย้อนหาเหตุหาผล วัตถิปัญญาไม่ฉลาดแก้กิเลสไม่ได้ฆ่ากิเลสไม่ได้พระพุทธญาณสอนคนให้โง่สอนคนให้ฉลาดเท่านั้นธรมมธรมะกุศลธรมธรมะคือทํำยังคนให้ฉลาดอกุชาติธรมรมะก็คืออะไระก็คือกองทัพกิเลสนั่นเองจะเป็นอะไรไปเนี่ยวข้าศึกมันเป็นคู่เคียงของธรรมนั้นธรรมก็บอาธรรมกิเลสมากิเลสมาจะเป็นที่ไหนนับเป็นหยุดในที่เช่นไรก็เป็นอยู่ในหัวใจของสารโลก ประกาศทางทำประกาศทางวาลทุกแล้วกันบรรดาพุทธีพอที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็วก็ข้ามโลกขามมังสารพึ ง, พ, งพั ง, พ, งพึงพังพึงพังท you know? ั้งแต่เบญจกสีทั้งห้างเรื่อยเรื่อยดังนั้นพระอรหันต์กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์อันนี้แล้วล่เดือมน้ำตามสูงต่างต่างกันตามภูมิปัตญธรรมจนกระทั่งถึงลงเป็นกัลยาณมุขุชนและได้นับถือผู้ศราสนาเพื่อเป็น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 ทางท่านสอนเนว่าตุ้มให้จิตจังอาตปังอาคาตโลสตา ต, ต, าตกตาการประกอบความพัคเพื่อนเพื่อยังกิเลสให้ตุ้มร้อนหรือสิ้นไปจากจิตใจนั้นเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะทรงจะทําเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นตัียทนผู้ขี่บอกแนวทางเท่านั้นนะผู้ขี่บอกแล้วก็ยืดอเอาเงื่อนใดที่เป็นกัติเข้ามาพิณิพิจารณาเองจนกระทั่งผลผลขึ้นมาตัวเองได้ทั้งเหตุทั้งผลเกิดขึ้นภายในตนเองแล้วนั่นแหะที่นี้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 อืสิ่งที่ถูกการจริตของตนตามความรู้ความเห็นของตนแล้วเชื่อถ้าให้เชื่อสิ่งเหล่นี้หนักบังทีท่านตัดเอาหมดตัดเอาหมดตัดทํานี่แหละนี่เพื่อจะอะไรเพื่อจะให้เชื่อในสันติทิโกของผู้ปฏิบัติเองไม่มีใครที่จะแม่นยำไม่มีใครที่จะแน่นอนยิ่งกว่าสันติทิโกตัดสิ่งแม้พระองค์ท่านทรงสั่งสอนก็สั่งสอนก็เป็นประเภทหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนสารโลก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 ดูตำหนับตำางไม่เชื่อตํารางจะเชื่ออะไรไปเผาไฟที่เผาไฟกระเท่าะกระเผาตัวเองไม่มีทางไปเลยจริงนะไม่มีทางออกขั้นที่ควรเชื่อต้องเชื่อเชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อตำหรับตําราเชื่อคนที่ควรเชื่อได้ต้องมาถือเป็นแบบเป็นฉบับเรื่องนี้เป็นความเชื่อไปโดยลําดับลำดับแต่จะหนุนเข้าไปหาความเชื่อที่ว่าเป็นสติทีิโกพอสุดท้ายก็ให้ปัดให้หมดถ้าเป็นสิ่งที่แน่จริงแล้ว ต้องตัดความเชื่นั้นออกหมดให้เป็นสถนทีโกของตัวเองเท่านั้น น, นั่นนั่นทำบรรดาพระรหัตทุกทุกองจะเป็นเรื่องนี้ทั้งนั้นเป็นแบบการละมาสูตรท่านั้นไม่เชื่อใครดังพระสารีวุฒิยกตัวอย่างท่านพูดตามหลักคองถี่ของท่า น, นเราเชื่อเราเองเราไม่เชื่อใครแม้พระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเรามาเราก็ไม่เชื่อพอระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเราเชื่อเราท่านหว่า พ, พ้ประชนทั้งหลายกันนำเรื่องราวนี่ขึ้นตะถูนพุปติเจ้าว่าภาษาทิบุตเป็นมิจฉาทิฏฐิขนาดถึงเป็นอักษ า, าวกของขวางวิธีกาการเปมิจฉาทิฏฐิได้ม่อย่าเชี่ออุปติเจ้าพระองค์ก็ทรงเป็นศาสตราของภสาษสาริบุตฟังไั้สระอักษาวกกับศาสตราลงสนธนาทำรรกันเพื่อปรดสับ ต, ตาบอดหูหนวกอย่างพวกเราๆท่านๆเรียกภาษาทบุตไปว่าไงภาสาบุต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 พระพุทสอนสอนนี่เป็นอุมายแง่ๆต่างๆเข้าไปพอถึงขั้นที่จะเข้าได้กับเข็มกินก็เป็นสานพิธีโก น, นําผลขึ้นมาเห็นชัดเจนเนี่ท่านสอนในกาลามาสุเพื่อทําขั้นนี้ต่างแล้วจะทําขั้นใดก็ตามมันก็เป็นมีสัรพิธีโกแนบไปทุกขั้นทุกขั้นแต่ขั้นสุดท้ายต้องเป็นอย่างว่านี้ที่กล่าวเรานี้เป็นทําเพื่อขั้นสุดท้าย ไม่เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองอย่าเชื่อใครอม่เชื่อสันติโกเพราะคําว่าสันติโกก็คือทำบุญใชาแล้วพระองค์ก็ทรงรู้อย่างนั้นด้วยจึงได้ทรงแสดงสันติโกขึ้นมาแล้วประกาศทำให้สาวกทั้งหลายได้ทราบเพื่อสาวกทั้งหลายจะได้รู้เป็นสันติโกขึ้นมาเป็นสมบัติของตัวเองหนะี่งพูดถึงหนึ่งความละเอียดละออนแ้มคมขอ ง, ของจิตที่มันร้รักหัวใจสัต์โลก มันเป็นที่น่าอินนาราใจอย่างเต็มหัวใจเดียวแต่ยังดีเรายังมีหวังที่มีทาเครื่องแก้โลกทั้งหลายไม่มีเลยมีอยู่มากมีจะถูกร้อยรัดแต่ไม่ไม่มีทางออกนี่ยังมีทางออก ท, ทางออกก็คือทำคือการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าไม่เห็นไปตามพิรุ มันชี้ช่องบอกทางด้วยความคิดความตึงในเรื่องใดก็ตามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดถึงทางธรรมอารมณ์ของใจมีธรรมเขาแทรกเขาแทกเขาแทกทั้งด้านหูให้มีธรรมตามรับขาทั้งตาทางหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งธรรมอารมณ์ของใจมีจิตเป็นธรรมมีธรรมโอสถมีสติปัญญาการกรองการกรองการกรองในสิ่งที่สัมผัสสัมพัน์ทั้งหลายแล้วก็กลายเป็นธรรมขึ้นมากลายเป็นธรรมขึ้นมา แล้ค่อยๆเลื่อนลอดออกไปได้มากได้น้อยด้วยอํานาจแห่งการปฏิบัติธรรมสือท้ายก็ผ่านไปได้มันจะหนาขนาดไหนก็หนาถือกิเลสที่พ้น อ, อนํานาจของธรรมไปนั้น่ะขาดสะมั่นไปหมดเลยนั่นเราจึงจะได้เห็นเรื่องมหันตตโทษมหันตทุกเรื่องภัยของกิเลสมันเป็นขนาดไหนแล้วจะได้เห็นความแบบประหลาดและความความหมัศจรรย์ของธรรมซึ่งไม่มีอยู่ที่ไหนเลยบเวลาปรากฏจริงๆแล้วมีอยู่ที่ใจเท่านั้น ใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งแท่งเป็นใจทั้งดวงเลยใจกับธรรมเป็นอเดียวกันหมดปัญหาทั้งมวลโลกจะ ก, ก, กว้างแสนกว้างจะมีกีบจักรวาลหมื่นแสนล้านจากกักรวาลก็ไม่มีปัญหาอะไรในหัวใจดวงนี้เพราะใจดวงนี้ขลาดปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วเพราะขนาดชิลลนั่นเองปุณย์ยังไง ใจเป็สิ่งสุดลิมตธ ห, หลุดพ้นจากคดีต่างๆซึ่งเดติเป็นผู้สร้างขึ้นมาภายในหัวใจนำพากันตั้งใจประเมไปปฏิบัติได้รู้ได้เห็นใจพร้อมเสมอที่จะรู้จะเห็นในธรรม ท, ทั้งหลายขอให้เจ้าของยังใช้ความพยายามสติเป็นเจ้าของปัญญาเป็นเจ้าของที่รักษาใจ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 ทั้งความหมายมั่นปั้นมือแน่นตึงปึงตึงเลยปัญญาตีแผ่กระจายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะเห็นแดนหนึ่งความทุกข์สว่างจ้าจ้าอยู่ต่อหน้าต่อตาเหมือนจะเอื้อมมือถึงเป็นอย่างนี้มองไปข้างหลังจะเห็นกองทัพเสือเป็นพวกเสือร้ายเป็นพวกยากพวกผีวิ่งตามยกมาเป็นกองพันกองพลที่แกวิ่งตามมาฆ่าเราทําก็เหมือนกับเอื้อมมือรอเราอยู่รอเรา ชั่วเอื่มชั่วเอื่มชั่วเอื่มมันก็บืนญนี่มนุษย์เราเห็นโทษ ก, ก็เห็นเต็มหัวใจเห็นคุณของธรรมก็เห็นตามเต็มหัวใจแล้วทำไมไม่มีกําลังชุดเบี่ยงทีเดียวถ้าลองกําลังของใจได้ปราบขดกันแค่เท่านั้นไม่มีอะไรเหนือกําลังของใจ ไ, ได้ได้พุ่งพุ่งทะลุไปเลยสุดท้ายก็พ้นอืมพวกนั้นหมดหวังม้วนเสือทั้งนี้พ้นภัย ถึงแดนแห่งความเกษอย่านําคําที่ว่าลําบากลำบนเข้ามาเกี่ยวข้องนะการปฏิบัติให้ทราบวันนี้คือเรื่องของกิเลสรุนรุ น, นไม่มีเรื่องทเข้าแทรกเลยความขี้เกียจขี้ซ้านในการประกอบความภาพเพื่อจะถอนตัวจนกคนตับทุกเป็นเรื่องของกิเลสผูกมัดเอาไว้ทั้งนั้นให้รู้ถ้ารู้นี้แล้วพอฟัดกันไปถ้ายังไม่รู้นี้น่าจะจมเพราะมัน นี่แหละเราไม่หาที่ไหนกายอะไรล่ะเป็นของสิเดียดดูตามนี่แหละอตามประโยคที่เราจะประกอบความเพียรมันจะจะมัดแช่งมัดคาดไม่ทันทีทันทีทันทีมัดตัวไว้เลยไม่ใกระดิกกระดิกก็ได้เลยผมคิดว่าเป็นเรื่องของธรรมนจะมัดไว้นี่แหละคือเรื่องของสิเดียเราไม่ต้องหาที่ตรงไหนมันจะมันปรากฏอยู่กับหัวใจของทุกคนอยู่แล้วนี่จะจะต่อสู้มันเพื่อฝูนมันเท่านั้นการฝืนมันได้รับความทุกข์ทุกข์กับทุก ทุบเพามันทุบมามากต่อมากแล้วอทุบเพราะการต่อสู้มันเพื่อถอนตนออกจากทุกอา้าวทุบไปไม่ยอมถอยพ้นจากข้าถือแล้วทำว่าสุกันกระเสรมไม่ต้องพูดเราจะต้องการบุรุษมศุขนะ่ะจะมาท่อถอยอะไรเนะเพียงความทุกข์ยิ่งมีเพียงเท่านี้โลกทั้งหลายเขาก็มีความทุกข์เหมือนกันทาไมได้ประกอกความภาคของเพียนเขาก็ทุ้งอย่างอางื่นของเขา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 ตัอง อ, อกตังใจตั่งมีความขยันหมั่นเพียรเพื่อต่อสู้มันจะทุกขนาดไหนก็เอาเถอะเราไม่ถือว่าเป็นความลำบากลำบนญให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอต่อแค่เราตายที้งไป่อเราถือประโยชน์อย่างนั้นเราไม่ประสงค์ต้องการให้เห็นเหตุเห็ น, หนผลนี่ทำทั้งหลายจำนวนพระประมามากมายนี่แยันที่ผมเคยพูดนั่นแหละ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 ท่านของหัวใจเราของหัวใจมีมากก็มากเถอะอต่างคนต่างเป็นธรรมแล้วไม่กระทบกระเทือนกันไม่สนใจที่จะไปคิด ย, ยังไงร้ายปายสีซึ่งกันและกันนั่นเป็นเรื่องของกิเลสย่านํามาชายจะอ่าให้ดูตัวเองทันทีมันเคลื่อนไหวไปเกี่ยวข้องกับหมู่คณนะเรื่องอะไรให้ดูตัวมันกับเครื่องนี่ตัวกิเลสมันกระเพื่อมวันนี้ถึงตัวถูกก็าตามมันจะอาศัยความที่วัตถูกนะั้นะเป็นตัวผิดขึ้นมาโดยเราไม่รู้ แล้มองกันให้มองในความให้อภัยเสมอให้สม่ำเสมอทุกดวงของจิตที่ให้อภัยกันอย่าไปถือผิดถือถูกกันให้เป็นความเสมอในการให้อภัยเมตตาสงสารเพื่อนสูงโดยกันที่มาศึกษาอบรมความรู้มันมีความเหลื่อมล้ำต่างสูงในทาง จ, จิตใจมันไม่ได้เหมือนกันถึงว่าคนคนมันกนก็ตามแต่จดิตนิสัยหรืออุปนิสัยมันมีหนามีบางต่างกันต้อง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 เห็นแกตัวที่สุดก็คือยิ่เ ด, ด็กแล้วเมื่อความเห็นแกตัวแล้วต้องทําลายคนอื่นเพื่อมาเป็นปุ๋ยบํารุงตัวเองตั้งแตที่มันฆ่าตัวเองมันก็ไม่อยู่มันไม่ยอมพราะเป็นเรื่องของยิ่งเด็กอีกท่านหนึ่งผมจะมาคอยแสดงบ่อยๆดังที่ทุกท่านทราบแล้วสุขภาพปีนี้แย่มากนะรู้สึกว่าทรุดลงรวดเร็วทีเดียวผิดสังเกตร่างกายก็อ่อนลงมาก จิตใขันทั้งหานี่ก็แสดงความที่การไปมากเหมือนกับรถมันทำรถชุด่มลงมากมันเองใช้าการทช้างานอะไร็จะจมอะไรหรือเราอะไรท่านตองขอให้ทุกท่านตั้ ง, ง อ, อกตั้งใจพุทธปฏิบัติมนขณะที่มาศึกษาเช้มจากครูจากอาจารย์และอยู่ด้วยกันให้เป็นมงคลในการอยู่ด้วยกันอย่าให้มีคามาอับมงคลเข้ามาแทรกในวงปฏิบัติธรรมของพวกเรา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 ก า, ารพยายามขึ้นมาแต่ตอนนั้ถึงเหนื่อยมากวันนี้ยังไม่เหนื่อยมากความหยุดเพราะระวังอาหาเลยอะไรพอไปถึงวันนี้ไม่ถึงไม่ถึงรู้สึกจัดจัดพอพอพอพ อ, พอเริ่มเริ่มรู้สึกก็ห ย, ยุกมันทุกวันมันรู้สึกจัดจัดว่ามันเหนื่อยนื่อยภายในหัวใจวันนี้พอเริ่มเริ่มจะรู้สึกหยุดก่อนเคยไปเคไ ป, ไปมันอ้อมแท้แรงไม่ได้นานอย่าง มันขึ้นของมันเรื่อยๆไม่อย่างนั้นมันก็เหมือนกับวา่วาเราลั่นว้ลั่นไว้ไม่สะดวกแก่การพูดถึงกันต้องปล่อยตามความสะดวกสบายของทาดขันดีลาแสดงออกมรงนี้มันลดลงขนาดนั้นเนี่ยขณะที่เต่าตัวหนามันก็ถือว่าเป็นการเป็นงานหนักหนาจริงๆนิดหเึ่งเป็นงามาถึงหน้ากระดาษแล้วผมไม่ได้อ่านเลย ตามันก็ฝากวางหมดเพราอ่านตา อ, อ่านตาฝ้าฟางก็ไปจะไม่มองเห็นนะความคิดความปรุงมุ่งิดไปทำเครื่องหมายมันก็ต้องใช้ความคิดไหมมันเข้าใจได้ยังไงก็ฉีดน้ําหมึกไวก้เลยเราเป็นผู้ให้ความหมายอื่นเขียนว่าอย่างไรหน่อยมันก็ต้องใช้ความปรุงงานดูมันก็เหนื่อยแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นถึงเวลาเัิ่มกานรุ่นแล้วอะไร ผ่านนิดหนึ่งนิดหนึน่งมันก็พอแต่จะล้มเหมือนเช่อนอย่างผูกลมพัดนิดหนึ่งก็เอ็นเอ็นเอลู่กระทั่งลู่กรทั่งนี่ตั้งกี่ลมมันจะรุนแรงอะไรนั่อันนี้กับมอนกันงานเดี๋ยวนี้เป็นงานที่เคยทํามาแล้วทั้งนั้นแต่มาถึงมะยงนี้แล้วมันเป็นยังไงมันเลยถือว่าเป็นงานที่หนักมากกว่าทเริ่ง สารการสารผู้สารคนก็เสียรลงไปเหมือนกันหมดสารท่าสอนหนึ่ ง, งดูโดยลำทางเหมือนรถเอาเข้าลงท่องไว้หน่อยมิได้ซ่อมขี่ไม่ได้อย่างว่า <c oughs> สุดท้ายก็ทิ้งตรงรเรื่องความจริงเป็นอย่างนั้นแล้วก็พูดตามความจริงโลกนี้เป็นั้นอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะ น, นั้นจึงระยิรียนให้ความจริงมันไม่รู้เสียตั้งแต่ต้น ยังไม่ตายถึงเวาลามันจะเป็นีนมันก็ต้องเป็นไปตามที่ทาบอกไห้ทุกสิ่งทุก อ, อย่างมันก็หายห่วงหายห่วงน่ารยโยเสีย ต, ยตยั้งแต่ยังไม่ตายป่อยกันไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่ตายยังความรับผิด่ชอบยังมีเต่อกันเท่านั้นแย่สบาย ผมได้อ่านทังหนังสือเล่มที่ใครเเขียนนอยู่งานของศพงานศพที่มหาปิ่นราชบุรีนะัะน่นนทีมน่มันเอาผมไปอ้างว่าผมนึกว่านารกเมใครได้อ่านนี่เลยหืว่าว่าผมผมเป็นคนว่าว่านารกมีอยู่ภายในใจเท่านั้นดูปฏิในนั้นดูปฏิเสธนรกข้างนอก ตอนเราพบหรือว่างผมนั้อ่านนาะนเพราะผมถึงจะกลับผิดนี้ไวอย่างนี้อหะคนมีครูบาอาจารย์อะไรที่เป็นที่เขาเลเรื่องสายของคนนะเรากําลังคึกขนองเอาความเห็นของเราเข้าไปใส่ปุ๊บเอาใัยอนาจของครูบาอาจารย์อย่างนี้แหละมันมันมันแย่งกันอย่างนี้แหลจะทําไหมผมไม่เคยพูดท่านอะไรก็จะยินไหม เรืลบล้างนะ ล, ลสวรรค์อะไรผมเทิดทูลพระพุทธเจ้าซจนหัวใจขาดพุ่งย่อมไม่ขาดไปเลยที่พระองค์ทรงแสดงมาแล้วผมหาที่ท้านไม่ได้เลยแต่ไม่อาจที่จะพูดให้ฟังวันนี้ในน้ น, นมันไม่ใช่เป็นที่สัยองตาจะเห็นกจำผมบอกว่าให้ปรับใจให้ดีปรับใจให้ดี น, นี่นี่บอกเสมออันใดที่ควรจะรู้จะเห็นมันจะเห็นหมดนั่นแหละไม่มีอะไรที่จะกว้างขวางลึกซึ้งซุก ข, ขุมมากยิ่งกว่าใจที่จะรู้ตา ม, มันแค่หูแค่รูปแค่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 เขาความอยากก็เป็นจะเหลสกิเลสมันพังไปแล้วเอาอะไรมาอยากไม่เหลือแต่ความจิงล้วนๆเท่านั้นความที่เขาติกับคําที่เขาชมมันมีน้ําหนักเท่ากันไม่มีอะไรต่วนกันมากกว่ากันทาไม่้องกิเลสเป็นผู้พาเศกภาสันทำท่านไม่เศษวางไว้ตามความจริงนี่คอยเอาไปลงอย่างนี้มีเยอะมากที่เทวเิวตาไม่มีตรงนี้พระภพ พบอุจจนอกจากพบพวกของร่างของนี่ปฏิเสธหมดรูปร่างหมดไม่อยอมให้อะไรมีได้ในโลกนี้แต่บางั้งที่มันก็เกอนโลกอยู่นี่ที่ไหมเมื่อมองด้วย ต, ตาแล้วก็เห็นมีสัตว์อยู่ประเภทเต็มในโลกนี้อืมอหูได้ยินเส้นอย่างโสตทิพย์นี่ก็เอาลองดูที่หนิมทไมทําไมจะไม่ได้ยินตาทิพย์นี่ทําไมมันจะไม่เห็นสิ่งที่บนิสัยธิของตาของของตาใจมีของหูใจมีอืม มันจะไม่รเห็นสิ่งนี้มีอยู่ยนั่งพูดที่เจ้ามันเลยห่าันชงตาที่พูที่อย่างสมบูรณ์ังสับยูสับยูรู้ทุกงทั้งปวงบางทีทั้งปวงเร้รู้หมดปิดไม่อยู่พวกเราสับพันงโ ง, ง่โงไ่ไปหมดยูไปว่าไปว่ารู้รัู ทสับพังโง่ยี่อะไรมากวดเข้ามาพังโง่พังโง่ืนนมำโง่โสแสดงเดล้างตลวออกมาว่านผู้ฉลาดหน้าหมอลอจะตายไปามฉลาดของกิเลสออกมาอวดความฉลาดของธรรมไมนอวแต่เวลาออกกับกิเลสพังไปเลยท่านให้ออกตรงไหนกิเลสพังไปเลยเนี่ยอันนี้กิเลสมนึกกลัวจะทำมันไม่กลัวอย่างอื่นกิเลสกับกิเลสกลัวกันมื่อไหร ความรู้มันลุ่ม่ระเดิดแสกแสบแล้วมันไม่เสมอแล้วมันต้องเอียงจมอกเอียงก็เอียงก็พ้างกระเลยดความรู้ที่มันทํามันล่วนไม่ได้มีอะไรมากแสบมาแสงมาทำลายมาพัดมาผ่านให้เอียงไม่เสมอพระเจ้าสอนโลกสอนตั้งแต่อันนู้นี่กระถาลื่ยอ่นะวงจะมีที่ตรงไหนอัอนูนที่กระถาแปลว่าทำที่ทรงแสดงโดยลําดับ ตั้งแต่พื้นพื้นของทำ เ, เ, ยยเรื่อยๆเหมือนเรืบินเหินป้าถ้าแปลอ น, นุที่กระานนอกจากไม่แปล <c oughs> มาปัจิบัติแล้วก็เลย <c oughs> ไปแบบปฏิบัติแล้วถ้าจะแปลเป็นแบบอาถรรพ์บาลีนั้นผมก็แปลได้ไม่ใช่คุยพอเรียนมาแล้วนี่ยแครูเจ้าก็อสอนมาเพื่อ น, นี่นี่จะเรียนมากจะน้อยก็เรียนเพื่อ น, นี่่อรู้นี่เพื่อปฏิบัติให้เห็นนี่ดึงอันนี้ไปเลยจะเป็นอะไรไป เอาความจริงมาเลยไม่ต้องมาจับมาแปลกันเพราะนั่นเป็นขื่ออันหนึ่งกุณรับแล้วในปริ้นน้ำเป็นห่วงมือ้นวนก่งห่วงแต่าจะทำไงเราทำมันจะของไม่อามยมันก็ต้องอยู่ๆวันหนึ่งเป็นอย่างวันหนึ่งเป็นอย่างตอนอากาศอบอ้าวมากๆดุสิเค็งก็เป็นในหัวใจชรงตัวอยู่นั่นนะใคร ก, กวนมันขึ้นหานะั่นมันเหมือน ถ้าสิ่งปัหาลงนะมันไม่อยากยุ่งจะกับใคกับใครอยู่พอดีจะของพอดีอย๋ยงนั้นมันพอดีพอดีอดกับมันคอดจะปกติมันคอยลดของมันลงลงอย่างถ้ามีพาละอะไรเป็นไปมันไม่ยุ่งดูหนังสือก็เป็นเครื่องถ้าจะพูดแบบโลกก็เรเป็นเครือ่องเพินมอันน่งพุทธิาพอดูเป็นธรรมทั้งนั้นเนี่ยก็เมื่อถิ่นไม่ไปเกี่ยวกับโลกเราก็จดว่างไงมันก็มันมีแต่เรื่องของธรรมก็บอกนี่ใครจะว่าบ้ากว่าว่าว่าอะไรี่ เวลาลากมันจับหางดึงมว้จนหางขาดมันยังไม่ยอมอยู่กับมันกับแสดงให้เห็นแล้วมันเบืนอใจโลกถ้าเป็นหมาก็จับหางดึงเอาไว้ขี่น่ะขี่น่ะจะไปแล้วมันฟาดจนหางขาดมันยังไปหาขี่กันได้มันก็เคยบอแล้วนี่ว่าไงไปนี่ไล่มันไปมันไม่ไปที่ว่าไงมันไม่ไปก็บอกมันไม่ไปที่สิ่นี่เนี่ยมันไม่ไปอะไรเไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลโลเลื่องะไรธรรมดาธรรมดานี่เรื่องของสมมติธรรมดามันก็ไม่อยากไปเกี่ยวข้อง ดูเนี่ยดูลงชั้นลงขันดูคนลงชัานลงขันไปอาศัยปชอน